อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยคะ่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่11มีนาคม2555นะคะเป็นวันแรมสี่ค่ำเดือน4ค่ะก็พบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็จะได้กลับน้ำมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโ น, โนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรการปริกเกณนปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธวจนะ ของวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็มีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโซ หรืท่านพระครูสิทธิ์ที่ประภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะค่ะก็ข อ, อนําท่านผู้ฟังมากราบน้ำมัศการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัศการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเ้าเสาธุเจ้าขาเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะเจ้าค่ะวันสาวเราได้พูดกันถึงเรื่องของบรรดาน้องๆที่อาจจะอยู่ต่างสถาบันกันแล้วก็มีความเครียดแค้นเชิงชังฝังหุ่นกันมานะเจ้าค่ะทำให้เกิดการเหมือนกับไปทำไํำร้ายร่างกายการจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตซึ่งก็อันนี้ก็เป็นปัญหาของทั้งตัวน น้องเองอเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคมและพระอาจารย์ก็เมตตาว่าวันนี้จะคุยกันต่อนะเจ้าคะว่าทำไมน้องๆซึ่งเป็นเยาวชนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยซึ่งกำลังอยู่ในวัยที่จะศึกษาเล่าเรียนนะเจ้าคะถึงได้ไปมีจิตใจฝากฝ่ายในเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและก็สังคมเลย เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะต่อยากให้พ<อ>ระอาจารย์ได้เมตตาช<อ>ี้แจงตรงนี้หรือว่าลองลองวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันสักนิดนึงเจ้าค่ะก็ที่จะสืบเนื่องจากที่เราคุยเมื่อวานเนี่ย<อ>ก็คือประเด็นที่ว่าหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องการเรียนพูดถึงเรื่องของเวลาที่ เขาควรจะทํากิจกรรมอะไรอย่างอื่นที่ควรจ ะ, ะทําในภาษาวัยรุ่นเนี่ยนะย ะ, ะมันน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาได้โครงการอะไรต่างๆที่ออกมาฮอตไลน์เอ่ยโทรศัพท์เรียกตำรวจอะไรต่างๆออกมามันก็แก้ได้ระดับหนึ่งชใช่ไหมเ้ยทำไมแก้ไม่ได้สักทีก็มันง่ายๆตรงนี้คุณตัดใจสมมติเราให้เขาไปเรียนหนังสือใช่ไหมพอเ ร, เรียนหนังสือเสร็จแล้วมันเบื่อมันเบื่อแล้มันก็ไม่อยากเรียนยไม่อยากเรียนก็ไปหาอย่างอื่นทําสนุกสนุกดีกว่าสนุกสนุกทำไงเล่นใช้อาวุธตีกัน เฮ้มันสนุกดีน <ำ S 1> ดั่สนุกกว่าเรียนหนังสือในห้องเรียนนั่งเบือบ่อเบอืเฉยง่วงหัวโขกพื้นโขกโตะอย่างเงี้ยน ะ, ะเออไปสนุกข้างนอกดีกว่าแล้วนะงเป็นปัญหาที่ก็เกิดขึ้นตรงนี้ อ, อทีนี้จะแก้ปัญหาที่เราก็พูดกันเมื่อวานไปแล้วทีนี้วันนี้จึงอยากจะมาทําความเข้าใจในเรื่องของจิตตรงนี้นิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมพอทําสิ่งดีๆเช่นเรียนหนังสือคุณ ก, กลับเบือ่อแทนที่คุณจะตั้งใจเรียนคุณจะทําคุณควรจะทําแต่พอไปเล่นอะไร เก็บเมล็ดเกเรตลกปอกฮะเฮ้ยจิตมันสบายเจ้าค่ะบางคนมีความคิดอย่างนี้นะคุณตื่นใจอย่างสมมุติทํางานอย่างเงี้ยคุณนั่งหินนั่คอมพิวเตอร์ต้องทำงานพิมพ์งานเขียนรายงานอ่านหนังสือหลับเบื่อเลยเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยทำไมเล่น3ามชั่วโมงสชั่วโมงได้โอ้แฮปปี้มากเล่นเกมนะใช่ไหมเล่นเกมอเงี้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะซึ่งถ้าเราเข้าใจกฎเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละนักเรียนแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้เลยอืเจ้าค่ะ ก็ตรงนี้ยจึงต้องทําความเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้เราเรียกว่าการรมก่ไก่ชะลาอามอมะนะอ่าหมายถึงกรรมมาสุกนะันคือสิ่งใดก็ตามที่เกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายนะห้าอย่างนะความสุขที่เกิดจากตาความสุขที่เกิดทางหูจมูกลิ้นกายนะหาอย่างเนี้ยเกาเรียกว่าการรมมาคุณห้านะทำไมเรียกว่ากรรมมาคุณห้าเพราะคุณของมันเนี้ยคือจะให้เรามีความสุขได้อืมจ้ะค่ะหน่อยหนึ่งเจ้าค่ะเช่นเล่นเกมกินขออร<ๆ>่อยแต่สั้นๆนะจ๊ะ กามคุณห้าเจค่ะทีนีรเร้เราไปเราไปเสพกามคุณห้าเนี่ยจิตเราจะต้องมีกามกามกอไก่สรามหมอม้ากามนี่พูดภาษาไทยว่าอะไระกามเป็นภาษาบาลีนะเจ้ค่ะแปลเป็นภาษ า, าไทยเนี่ยที่ชาวบ้านร้านตลาดจะเข้าใจกันได้นเนี่นะก็แปลว่าความกําหนัดหัวพันมัวเมาลุ่มหลงในกามคุณห้าเจ้าค่ะขพูดอีกทีหนึ่งคือความกําหนัดมัวเมาลุ่มหลงในตาหูจมูกลิ้นกาย กำหนัดมัวเมาลุ่มหลงในความสุขที่เกิดจากตาหูจมกูกลิ้นกายเจ้าค่ะพระเจ้าอธิบายตรงนี้ถ้าคุณเจือนใจใช้ได้ตลอดกาลสมมุต<ช>ิว่าเราพูดถึงอัตโนร์สับเครื่องหนึง่งเราบอกว่าโทรศัพท์รุ่นนี้ออกมาใหม่ล่าสุดไม่มีปุ่มเลยหูหน้าจอไปเริ่มเลยนะผม้โหเราลุ่มหลงมากจ ค, ความลุ่มหลงของเราเนี่ยอยู่แค่ประมาณสิบสองเดือนพอรุ่นใหม่มาออกแเราทิ้งรุ่นนี้ทันทีอืเจ้าค่ะถามว่าตรงเนี้ยเรามีความกำหนัด ลุ่มหลงมัวเมาพัวพันในความสุขที่เกิดจากตา่คะแล้วก็สัมผัสเราจับมันอยู่ใช่ไหมเราตามันอมองมองอยู่เนี่ยเราเกิดความกำหนัดมัวเมาลุ่มหลงทางตาแล้วก็ทางสัมผัสทันทีแสดงว่าตอนนี้นคุณมีกามมีกามได้งไงควักกระเป๋าซื้อเลยอืม่คะถ้าไม่มีเงินทาําไงขโมยเลยอืมะ ข, ขโมยไม่ได้ทาําไงตีหัวมันอีกนะขโมยเพ่นเพราะว่ากาม่คะ กามเคี้ยวกินอยู่เราจะตกเป็นอำนาจของกามเรียนหนังสือมันเบื่อคุณเดินใจใช่ไหมโอ้ยเบื่อเว้ยเอาไปหายอย่างอื่นทำสนุกสนุกน ะ, ะขเขาก็ไปกำหนัดรุ่มหลวงโมเมาในตาหูจมูกลิ้นกายอันอื่นด่ากันว่ากันเพลินดีเจ้าค่ะคิดเครื่องขึ้นมาไปโจมตีเขาคิดอาวุธใหม่ๆขึ้นมาไปตีกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่สนุกไปเจ้าค่ะ่ะแตแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนทีนี้ เราเข้าใจธรรมชาติของกาลแล้วว่าคือความกำหนัดรุ่มหลวงพัวเผาพัวพันมัวเมาในความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายนะักามเนี่ยไม่ใช่หมายถึงถเรื่องของอเนื้อหนังหรือว่าชายหนุ่มหญิงสาเท่านั้นนะพระเช้าให้ความหมายกว้างมากอยังรวมถึงนาฬิกาอย่างเงี้ยยฉันชอบนาฬิกา น, นี้มากมากเลยคค น, นั้นคุณก็คือเสพการอยู่ ค, ค่ะคือเสพการเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ ผ, ผ, ผิดอะไรนะคุณเตือนใจแม้พูดอย่างนี้ก็จะไม่ถูก คือมันผิดเนะี่ยผิดแต่มันมีระดับของมันอยู่พระเจ้าเคยพูดถึงคราว่าผู้บริโภคการผู้บริโภคการหมายความว่าไงหมายความว่าเออคราว่าก็บริโภคการได้นะเช่นไปกินข้าวเย็นทุกพระนี่ไม่กินข้าวเย็นคราวาอรอร่อย่างกินอาหารอร่ร อ, อร่อยได้ตอนเย็นพระนี่ไม่ทําำหรืออย่างบางทีครว่าอาจจะมีรถรถที่สวยๆไปซื้อของซื้อข้าวอะไรที่เราต้องการปอใจพระทำยังไงพระก็อยู่ตามมีตามได้ใช่ไหม ซึ่งตรงนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าผู้บริโภคการนะก็จะมีระดับของผู้บริโภคการหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณจะบริโภคการเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องผิดศีลถ้าคุณไม่ผิดศีลแสดงว่าไอ้การมาคุณที่คุณใช้อยู่เนี่ยนะความกำหนัดลุ่มหลงของคุณเนี่ยยังพอจะควบคุมได้ะถ้าคุณควบคุมไม่ได้อย่างตัวอย่างที่พูดมาสักคุณเนี่ยถือโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งไปดูที่ร้านใช่ไหมแหมจับแล้วดีมากเลย ดูแล้วก็สวยมากเลยน้ำหนักนี่ก็พอมือนะคือมีความรุ่มหลงกำหนัดเพอเลินในตานะก็นในสัมผัสแล้วนะเจ้าค่ะคือถูกการเคี้ยวกินอยู่แล้วนะเจ้าค่ะถูกการเคี้ยวกินอยู่แล้วยังไงถ้าคุณควบคุมตรงนี้ไม่ได้คุณควบคุมไม่ได้ขโมยเลยวิ่งหนีเลยอืมเจ้าค่ะเดี๋ยวมือไปล้วงหยิบชาร์เจอร์นิดนึงอืมเจค่ะแล้วก็ไถเพนทันทีนะแต่ถ้าพอควบคุมได้ทําไงควักเงินซื้อเจ้าค่ะถ้าควบคุมได้อย่างดีเงินที่คุณควักมานี่หาไม่อย่างถูกต้องเจ้าค่ะนี่คือระดับของผู้บริโ ที่ดีขึ้นถ้าดีไปกว่านั้นอีกนั่นหมายความว่าไอ้ของที่คุณได้มาด้วยเงินซื้อเองเนี่ยนะคุณก็ไม่ลุ่มหลงในมันไม่ตกเป็นท่าของมัน ค, คือสมมติต่อซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาทําหน้าจอขวนนิดนึงโอ้เป็นเจียดเป็นร้อนแต่ถ้าเขาไม่เดือดไม่ร้อนสบายใจได้นะัแสดงว่าเขาเป็นผู้บริโภคกา ร, รมชั้นเลิศคะคือไม่ใช่ว่าอคือทําน่ยมันไม่ดีแน่บริโภคกา ร, ร์มน ะ, ะแต่ยังพอควบคุมได้ก็ยังดีกว่าคนอื่นๆอื่าในลักษณะนี้ คือกามเนี่ยคุณเตนใจผู้รูชาบอกอย่าเสพอย่าทําให้มากอย่าทําให้เจริญควนกลัวเจ้าค่ะตอนนี้ถ้าจะแตะแตะมันเนี่ยมันก็ต้องมีลิมิตต้องคอยระวังเจ้ค่ะในที่บุญเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเราเดินอยู่หน้าเหวนะคุณตืนใจมันมันเสี่ยงที่จะตกเหวไปเพราะฉะนั้นเราเราอยู่ให้ไกลเจ้าค่ะอ่าถ้าเราต้องไปไปใกล้ๆมันเราต้องระวังมีความมีสติคอยระวังอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะนี่คือสมมติเราเดินอยู่ใกล้ๆน้ำผาโอ้โหต้องระวังมาก แตนะ่ถ้าผูกหลังดอยติดกับหลักสักแบักใดหนึ่งเรายิ่งต้องทำํทำทําให้คนหนึ่งเขาติดกระจกเอาไวานะ้หรือทําฐานที่ป้องกันขึ้นมาแลนะเพื่อไม่ให้เราตกลงไปเพราะต้องมีความประมัดระวังอย่างยิ่งเจเช่นเดียวกันคารว่านเนี่ยจึงมีความเสี่ยงนะเนื่องจากตัวเองต้องเป็นผู้เสพกามมีความสุขที่เกิดจากการมคุณทั้งห้าแลนะทาให้บางทีมันเพลินไปมันหลงไปมันหลงเรื่องไปเอาอย่างข้าราชาการเนี่ยบางคนได้รับตำแหน่งใหม่ เฮ้ยทำไมมีลูกน้องมากมายขึ้นมาทังดีวุ้ยสัง่งใครก็ได้สบายแล้วคราวนี <c oughs> ม้มีช่องให้ทำน้นมีช่องให้ทาอย่างนี้ึ <c oughs> ันทำปิดมากมายเพราะว่าเขารุ่มหลงในกามเจ้าค่ะมีความกำนัดเพลิดเพลินในจากความสุขทางตาทางหูคืออำนาจชื่อสดชื่อยอดอะไรล่ ะ, ะชื่อเสียงเกติยศพวกนี้เจะเป็นกาหมดนะเจ้าค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักระวังนะเราจะไม่ตกเป็นธาตุของกามซึ่ง อย่างเช่นพวกนักเรียนที่พูดถึงกรณีเ น, นี่ยน ะ, ะเขาไปเจอกับหมู่เพื่อนที่ตีกันว่ากันใชค่คอยใส่หัวว่า อ, อ, อันนี้พวกนี้เป็นศัตรูเราวพวกนี้เป็นเพื่อนเรานะเธอใช้อาวุธอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขทางการรับถ้าเขาเห็นโทษตรงนี้เขาจะไม่ไปกับพวกนั้นอย่างไรก็ตามนะถ้าเขาไม่เห็นความสุขที่เกิดจากความสุขความสงบนะเขาจะไม่ค่อยไหลไปตามทางนั้นเท่าไหร่ เขาจะสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในห้องเรียนได้เขาจะสามารถควบคุมจิตให้มีความสุขที่เกิดจกการเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่ต้องมาสับนั่งสบะงบังงบใช่ค่ะทีนี้คนที่ทำไมถึงไหลไปตามการรมคุณลุ่มหลงถูกดึงไปนะเหมือนกับเราถู ก, ถกลากถูรูดถูกกลางไปจิตของเรานะลากถูรูดถูกกลางไปด้วยไอ้ความตาหูจมูกนิ้วกายจะกายพวกนี้ห้าอย่างใช่ค่ะนั่นก็เพราะว่าเราไม่รู้จักอดทนนะพรุทธเจบอกว่า คนที่ไม่อดทนทางตาหูจมูกนิ้วกายห้าอย่างเนี่ยจะหวังว่าจิตจะเป็นสมาธิเนี่ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้เจ้ค่ะพอจิตไม่เป็นสมาธิแล้วคุณจะไปเรียนหนังสือรู้เรื่องได้ไงคุณก็หลับทอนนั้นเองแล้วทาไงแสดงว่าคุณก็ต้องไหลไปตามกามถึงจะทําให้จิตมันสบายเจ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดทนต่อตาหูจมูกลิ้วกายแล้วเราจะอดทนได้มันมันแก้ปัญหาได้หลายอย่างทีเดียวนะมันเป็นกล้ามเนื้อก้อนเดียวกันในจิตเจ้ค่ะทีนี้ไอ้เรื่องของการเนี่ย คุณจะมาอดทนต่อตาหูจมูกนิ้งกายเลยคุณต้องเห็นโทษของมันมากๆเพราะนั้นวันนี้จึงจะตะขอพูดถึงโทษของกามเจ้าค่ะพูดถึงโทษของกามพูดถึงโทษของไอ้ความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีในความสุขที่เกิดจากตากำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมายินดีในความสุขที่เกิดจากหูแม้เราฟังเพลงดนตรีเพราะๆเนี่ยเพลินนั่งหลับไปเลยเจ้าค่ะตื่นช้ามาเดื่นไปหมดนะซึ่งซึ่งเราไม่ควรทําอย่างนั้นเจ้าค่ะโทษของมันคืออะไร พู้เช่าบอกไปหลายอย่างมาโอ้โหโทษมากอ่ะอย่างเราเคยฝันคนฝันนะฝันดีดีฝันหวานหวานแม้อะไรที่อยากได้ได้อะไรอยากเป็นเป็นอะไรอยากมีมีหมดนะพอตื่นมาหายหมดเนี่ยคือของในความฝันอืก้ามเปรียบด้วยของในความฝันคือไม่มีอยู่จริงไม่ไม่ได้อยู่กับเรายืนยงนะเจ้าค่ะแค่ฝันเท่านั้นเอง เจ้าค่ะฝันนี่แล้วก็บางคนข้างข่าคุณปรใจเจ้าค่ะตื่นมาแล้วบอกโหไม่น่าตื่นเลยอะไรจะฝันไม่นั้นจบเลยมคนะเคยได้ยใจเจ้าค่ะเพราะว่าเขาไปกำหนัดเพลิดเพลินรุ่มของมัวเมาในสิ่งนั้นอโอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอ่านี่คือเรื่องของของอันที่หนึ่งประมาทไม้ที่พู้เช่าเปรียบเทียบไว้อันที่สองก็คล้ายๆกันคือเหมือนกับของยืมเข้ามาคุณไปยืมของเข้ามายังไงคุณต้องคืนเจ้าค่ะพอยืมสมมุติเราออกงานอย่างเงี้ยอ่าพี่น้องกันเนี้ย ยืมเสื้อผ้ากันเอา ง, ง่ายๆเจ้าค่ะพอเขาเสร็จงานคุณต้องรีบซักคืนเก่าคุณจะมาชื่นชมเชยชมต่อหลังจาก ง, งานไม่ได้เจ้าค่ะอหรือว่าคุณยืมของเข้ามาใช้ในหน่วยงานสักอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยยืมคอมพิวเตอร์มาใช้ยืมมองอะไรอุปกรณ์มาใช้คุณใช้เสร็จคุณต้องเอาไปคืนเก่าเขามาเจอของคุณเอาไปใช้อย่างอื่นอยู่เขาถ่วงทานดีคุณไม่มีสิทธิ์ยื้ อ, อไว้นะเจ้าค่ะเหมือนของที่ยืมเข้ามาพระเจ้าจึงบอกอย่างนี้แล้วก็การเนี่ยยังเหมือนกับเขียงสับเนื้อเป็นยังไงเจ้าค่ะเขียงสับเนื้อก็คือ เอ่อตัวเองไม่ได้กินเนื้อแล้วยังถูกทุบ ถ, ถูกตีด้วยเจ้ค่ะหมายถึงตัวเขียงใช่เจ้าเขียงใช่เจ้าค่ะเขียงเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่หมาว่าสวยสวยสวยมากๆเลยคือตัวเองก็ไม่ได้กินเนื้อนัแล้วยังถูกทุบ ถ, ถูกตี คือเป็นมีดนี่ยังดีอย่างหนึ่งคือตัวเองไม่ได้เจ็บอะไรมากคือฟันคนอื่นเฉยเฉยใช่ไหมแต่เขียงนี่ถูกเขาฟันด้วยถูกเขาฟันยับแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้รสชาติอะไรมีแต่สึกไปสึกไป ค, คถ้าพีนี่อย่างน้อยมันก็ยังไม่ถูกผู้ยิบู้ยำขนาดนั้นกับเขียงใช่มไหมถึงแม้ว่ามันจะใช้ถูกใช้งานบ้างเขียงสับเนื้อเป็นอย่างนี้่แล้วก็เหมือนกับอคือความสุขนะคุณชาเราพูดถึงความกำหนัดลุ่มหลงยินดีมัวเมาเพลิดเพลินในความสุขที่เกิดจากตา นะประเดี๋ยวเหมือนกับเียงสับเนื้อเพราะมันแว บ, บเดียวมันไม่ได้กินเนื้ออะไรเจ็บอีกทัางหา ก, ากานะตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของอ่าสุนัขแทะกระดูกสุนัขแทะกระดูกเนี่ยคือมีหมาตัวหนึง่งหิวมากท้องกิว่วนะไปอยู่หน้าเคียงหมูเคียงหมูคนนี้ก็เป็นพ่อค้าหมูที่ชํานาญในการใช้มีดมากวับ ๆ, ๆ, ๆเลยนะบางคนอาจจะเคยเห็นเียงหมูที่เขารับมีดมีดเบลมๆนะคุณตัวใจรู้สมัยรู้สมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่ายังมีเจ้าค่ะยังมีอยู่นาะ เขาปาดหมูปาดเนื้อเนี่ยโอ้โหมีความเชี่ยวชาญมากมันวับวับๆับมีความรวดเร็วมากขนาดนั้นเล ย, เ น, ยนะค่ะเขาก็ปาดอกระดูกหมูพ่อนหนึ่งปาชนิดที่เรียกว่าไม่มีไม่มีเนื้อติดอยู่เลยไม่มีเยื่อและเลือดเปื้อนอยู่นิดหนึ่งขนาดนีะหมาเห็นนี่น้ําหลายไหลหยอกหยอกเลย่เพราะข้าเคียงหมูตัวนี้ทําไงก็เลยโยนกระดูกชิ้นเนี้ยให้หมาตัวนี้ค่ะ เขโยนให้หมาเสร็จปุ๊บหมาคว้าอย่างแรงรีบวิ่งไปที่ที่ตัวเองจะกินได้นะกินกินกินกินกินอะไรคุณเตจกินเยื่อติดอยู่นิดหนึ่งแล้วก็กินเลือดเปื้อนนิดหนึ่งเท่านั้นเองเจ้าค่ะไม่สามารถคลายความหิวได้เลยอืมเจ้าค่ะหิวก็ยังหิวอยู่เดิมสุดท้ายกินน้ำลายตัวเองอืมเจ้ค่ะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะคุณเตจนี่เะเจ้าค่ะแต่อยากได้กระดูจอืมเจ้ค่ะคือถ้าเราสังเกตหมาดีๆเนี่นะเรายื่นกระดูให้มันเนี่ย กระดูกเนื้อใหญ่ๆนี่นะซึ่งมันกินไม่ได้อยู่แล้วมันแข็งเกินไปที่มันจะเคี้ยวกินมันก็กัดอยู่นั่นแหละกัดกัดกมันมีความสุขมากเลยนะแต่ไม่ใครหิวเลยอืมเจ้าค่ะเขาเข้าใจเนาะเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะเคยเห็นสภาพหมาอ่ามันมันไม่ประโยชน์ของมันเลยแล้วมันก็ห่วงอยู่นั่นแ่ะเจ้าค่ะทนี้ประเด็นคือตรงนี้มันจะมีตัวอื่นมาแย่งอือเจ้าค่ะจะมีตัวอื่นมาแย่งกระดูกชิ้นนี้ทั้งที่ตัวอื่นก็กิน้ก็ไม่ได้ลายความหิวนะเจ้า่ะก็ไม่รู้ทมันโง่โงมาแย่งไป แต่มันก็โง่ไปแย่งไปไอตัวแรกก็โง่ห่วงเอาไว้เจ้าเพราะอะไรคือคือตัวเองแบบที่ว่าอยากจะได้กินนะนะแต่กินแล้วก็ไม่คลายหิวอ่ะแต่ก็ไม่ให้คนอื่นเองเหมือนกันเจ้าค่ะก็ในเมื่อไม่ใครายหิวทำไมไม่ทิ้งไปเจ้าค่ะพอไม่ให้แล้วเกิดอะไรขึ้นกัดกันเละเจ้าค่ะกัดกันแบบเลือดสาดอย่างเงี้ยเคยเห็นนะหมาน ะ, ะเหาะกันตอนกลางคืนเราไม่ได้หลับไม่นอนก็ไอ้พวกนี้แหละเจ้าค่ะอ่าก็นี่คือความที่กามมันเปรียบเสมือนกับสุนัขแทะกระดูก เจ้าค่ะมันมีค่าน้อยมากเจ้าค่ะกระดูกชิ้นนั้นมีค่าน้อยมากแต่เราก็ไปยังไปรุ่มหลงมันนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเรื่องไปห่วงมันอีกเจ้าค่ะคนอห็นมารีบๆแหมไปเถอะเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนกับอ่าชิ้นเนื้อคาปากคือมีนกโต้ย่าพูดถึงนกตระกุมตัวหนึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งเจ้านกตะกุมตัวนี้คือเป็นนกคล้ายๆกับนกแร้งนกที่กินเนื้อนะคือจริงใจเขาก็คาบชิ้นเนื้อมาชิ้นก้อนหนึ่งเอปรากฏพอเขาคาบมาเสร็จแล้ว เขาก็บินอยู่ที่ตามแม่น้ำเนี่ยเขาก็เห็นเนื้อที่อยู่สะท้อนมาจากน้ำเนี่ยชิ้นใหญ่กว่าก็จะไปอาวก็เลกท้าปากก็หลุดปากไปเจ้าค่ ะ, ะคือพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่สะท้อนอยู่ในอยู่ในสายน้ำมันจะใหญ่มันจะใหญ่แต่าาพ อ, อพอจะข้าไปปุ๊บหายหมดมก็คือลักษณะของในความฝันหรือชิ้นเนื้อท้าปากอีกในยหนึ่งก็คือว่า พอเราคาบชิ้นเนื้อนี้อยู่เนไอ้เจ้านกตะกุ่มเนี่ยนะค่ะมันก็จะมีนกแรง้งนอกอินทรีนกคนอื่นเนี่ยมาคอยแย่งโฉบไปโฉบมาโฉบไปโฉบมาสุดท้ายเราไม่ได้กินนะเพราะมันใหญ่เกินกับเกินปากนะอืมเจ้าค่ะโฉบไปโฉบมาเราก็จะต้องปล่อยอ่าเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเราเจ็บอย่างนั้นเลยคือ<ช><ช>มันจะเรียกแต่คนอื่นมาคอยสร้างปัญหาให้เราเจ้าค่ะตัวเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้กินด้วยซ้ําอืมนี่คือเปรียบด้วยกับชิ้นเนื้อขาปะเจ้าค่ะ อันดับตัดมาพระเจ้าพูดถึงความเปรียบเทียบของกามเนี่ยนะเปรียบเทียบกับผลไม้ที่อยู่บนต้นเป็นยังไงคืออยา่างตัวอย่างต้นมะม่วงต้นใหญ่ๆเลยต้นมะม่วงป่าอย่างเงี้ยน ะ, ะในช่วงนี้ก็คงจะมีมะม่วงป่าออกอยู่เหมือนกัน ม, มีบุรุษคนหนึ่งต้องการผลไม้เขาเข้าไปในป่าสอหาผลไม้ใช่ไหมก็เห็นต้นมะม่วงต้นเนี้ยโอ้โหลูกเยอะโดดด้วยลูกเยอะด้วย แล้วอะไรที่ฝนที่ตามพื้นนี้ไม่มีเลยนะ <Okay. S 1> ทําไงเฮ้ยฉันรู้วิชาปีนต้นไม้ปีนขึ้นใหไปพอปีนขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปคว้ามะม่วงลูกหนึ่งมากินแม่มะม่วงสุกลูกใหญ่มะม่ว ง, งป่าในรสชาติแบบเปรี้ยวหวานนะ mm, อร่อยมากเลย <okay. S 1> จับใจมากเลยแม่กินเสร็จแล้วก็คิดว่าจะห่อกลับบ้านไปให้ลูกให้เมียกินด้วยเจค่ะ <Okay. S 1> เขาก็มีความคิดอย่างนี้นะแล้วก็ปรกากฏว่ามีชายคนที่สองมาชายคนที่สองก็ต้องการผลไม้เหมือนกันเห็นผลไม่น่ากินมากเลยเห็นชายคนแรกกินอยู่ด้วย โอ้แต่ทําไงดีฉันปีนต้นไม้ไม่ได้อ่ะอยา ก, กนั้นเลยฉันมีขวานอยู่ฉันก็ควักขวานนี่มาจามเข้าที่โคนต้นไม้เจ <c oughs> เพื่อที่หวังว่าพอมันตกต้นไม้ลงมาใกล้พื้นแล้วเนี่ยฉันก็จะเอาลูกเก็บรูปมากิน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ปรากฏว่าไอ้คนชายคนแรกที่อยู่บนต้นเนี่ยถ้าผมว่าเขาไม่รีบลงมาเนี่ยเขาจะต้องถูกกิ่งไม้ทับหรือว่าหกล้มตายแน่อนอนเจ้าค่ะเพราะงั้เขาจึงต้องรีบลงมาอพระเจ้าเปรียบครับ กามเนี่นะเหมือนกับผลไม้ที่ค่าต้นของมันเองอมอะมีโทษมากมีโทษมากคือคุณมันมีอยู่นะอย่างกระดูกหมายเงี้ยเออหมากระดูกหมาที่หมาแท้น ะ, ะมันก็มีคุณนิดนิดหน่อยมีเนื้ อ, ม, อมีเลือดเปื่อนอยู่นะเราพูดถึงความฝันมันก็ให้ความสุ ข, ขเราแค่ตอนช่วงฝัน เ, เราพูดถึงอะไรล่ะอะ่ไอผลไม้นั่นอนะ่ะแล้วก็แค่ความสุขกินต่างนิดเดียวอตอนกินนิดเดียวแต่ถ้าคุณมาโคนต้นไม้เราสวยเลย่คะ ผร้เชี่ยวมีเปรียบอีกนิดนึงคือเหมือนกับคบเพลิงหญ้าคบเพลิงหญ้านะที่ว่าเขาเอาฟางหญ้าฟางเนี่ยมาทำเป็นคบเพลิงซึ่งไม่มีใครเขาทำการยิงตัวใหญ่นี่เหรอไมเ้าค่ะเออมันเพราะมันควันมันมากเคยเห็นเขาเผานาเผาหญ้าพวกนี้นะค่ะควันโอ้โหหลุกตุกหนักเยอะเยอะมากซึ่งมันควันมากแล้วแสงมันก็น้อยน้อยค่ะแล้วก็มันก็ไม่เร็ว คือคือความไม่ไฟของมันเนี่ยมันรวดเร็วมันไม่ได้อยู่นานได้ซึ่งมันก็จะไม่หมดเลยแล้วก็มันโดนมือเราด้วยโดนอะไรเราด้วยนะซึ่งนี้คือเปรียบเทียบกับคบเพืิงยากเ อ, อแล้วก็พอไอ้ไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีคุณนิดเดียวมีคุณในประโยชน์เนี่ยน้อยมากน้อยจนกระทั่งแทบว่าไม่มีประโยชน์เหลืออยู่เลยคือโทษของมันเนี่ยมากเกินประมาณเจ้ามากจริงๆจนกระทั่งที่เรียก ว, ว่าเราเราไม่ควรจะไปยุ่งกับเขา อย่างอุจระใช่ไหมอุจระเนี่ยแหมมันเหม็นมันแย่มันอะไรนะแต่ว่าโทษคุณประโยชน์ของมันก็เอาไปรดน้ําต้นไม้ได้เป็นประโยชน์ได้นะ่แต่ถ้าจะให้เราไปยุ่งกับมันเราก็พออุจาระเสร็จปุ๊บเราก็รีบกดทิ้งไปเลย่อามันก็ขายแล้วก็ขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่อะหลังให้ฟรีๆถึงจะเอาคือคนก็จะมาเอาในอย่างจ่ายเงินให้เขาด้วยซ้ำมาดุดซ่วมดุดไรไปไงนะซึ่งมันเป็นลักษณะนี้แหะคือกามค่ะ ทีนี้ถ้าเราไม่เห็นโทษของการไม่เห็นโทษนะว่าเรายังกํำนัดรุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายินดีปลูกพันธุ์ในความสุขตาตาหูชูลิ้นกายเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ไหลไปตามสิ่งเหล่านี้อืคือคเราจะเป็นทาตทันธีเลยเหมือนวัวเหมือนควายถูกจูงจมูกเดี๋ยวมีของออกใหม่เห็นรูเห็นภาพทาทงตาถูกตาดึงไปเดี๋ยวมีดนตรีชิ้นใหม่ออกมาถูกหูดึงไปนะเดี๋ยวมีอาหารรสเลิศส่งมา โดยที่เราต้องการจะทดความบ้วนอยู่เราถูกลิ้นดึงไปอย่างนี้เป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถูกกา ร, รเนี่ยทําเราอยู่นะแล้วก็ถ้าผืว่าเราเห็นโทษเห็นโทษเราจะจะปล่อยจะขยักขยแยงเจ้าค่ะอ่าพอเราปล่อยแล้วขยักขยแงงจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่อยากเสพสมมุติว่าเราเขาชักชวนเราไปทําอะไรที่ไม่ดีเป็นความสุขทางกา ร, รใช่ไหมตามหูจ ม, มูกลิ้นกายถ้าคุณเห็นโทษของของกา ร, รตัวนี้นะ S <S เราไม่ต้องพูดถึงสิ่งนั้นก็ได้นะเราพูดถึงอารมณ์ในจิตของเราถ้าในจิตของเรามีอารมณ์ที่กำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงโมายินดีผูกพันในสิ่งนั้นนะอันนี้คือกรรมนะเราเห็นโทษของสิ่งนี้เราวางซะเราจะไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นมากอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตามกระแสสังคมแ ร, รีบเห็นรีบหนีรีบออกแล้วไปทําอะไรก็ไปทําสิ่งที่เราควรทําในขณะนั้นนะถ้าเปนักเรียนก็ไปเรียนหนังสือถ้าเป็นพวกพ่อบ้านหรือว่าคนทํางานก็ไปทํางาน ถ้าคุณคา ง, งานอยู่อย่างคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตนี่มันก็นมีโทษหลายอย่างนันคือทําให้เราเพลินไปเสพการามก็ได้ในขณะเดียวกันเราก็ทํางานก็ได้ถ้าผมว่าเราทํางานด้วยเล่นอินเทอร์เน็ตไปด้วยเนี่ยงานจะไม่ค่อยเดินเพราะว่าคุณกําลังลุ่มห ล, ลงมัวเมาไปในงานแต่ไปในการเล่นอินเทอร์เน็ตโดยที่งานก็จะถูกเพิกเฉยไปถ้าเราละการามตรงนี้ได้ เ, เล่นอินเทอร์เน็ตเราก็ละได้เราก็จะมาสนใจในงานที่เราจะต้องทําำเฉพาะหน้า งานก็จะเสร็จได้อย่างนี้นะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเราต้องมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงนะเจ้าคะว่าการต่างๆที่เกิดจากการลุม่มหลงมัวเมาัวพันธ์ทั้งหลายแหล่ที่เกิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นเนี่ยมันมีโทษมากกว่ามากกว่าคุณเหรอนะเจ้าค่ ะ, ะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมองตรงนี้ให้ทะลุแล้วก็จะต้องให้รู้ความจริงอย่างที่พระอาจารย์ไพรบูร์มักจะบอกว่า เห็นตามที่เป็นจริงตรงเนี้เจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญได้เมตตาที่จะชี้แจงเรื่องคําว่าเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยคือจริงอะไรเจ้าค่ะตามที่พระองค์ส่องสอนเจ้าค่ะคือมันเจ้าค่ะจริงเนี่ยนะคือว่าเราคนส่วนใหญ่จะพูดว่าเห็นไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยคือเห็นแง่มุมของเขาทั้งหมดด้วยเจ้อย่างที่คุณต้นใจพูดเมื่อสักครู่ว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆมันแค่ห้าอย่าง <c oughs> นั่น ค, คือความสุขความรุ่มหลงเพลเริงมวลที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเท่านั้นเอง <c oughs> นะใจจะไม่ใช่นะใจเนี่ยจะไม่ใช่กามอืมจ้าค่ะอ่าคือคื อ, คอธรรมารมเนี่ยมันเป็นกามนะแต่ว่าความสุขที่เกิดจากแค่ตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างคือกามคุณ5อย่างจ้าค่ะแต่ถ้าอย่างที่6กอย่างเช่นใจอย่างสมมติเรานั่งสมาธิแล้วมีความสุขทางใจเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กามอืมจ้าค่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะั้นเราเข้าใจตรงเนี้ยคุณเริ่มรู้ตามที่เป็นจริงละ ให้เข้าใจว่ากามคืออะไรกามทํางานยังไงการมมีโทษอย่างไรแค่นี้คุณเริ่มรู้ตามที่เป็นจริงแล้วใช่ค่ะแค่นี้เรียกว่ารู้ตามที่เป็นจริงแล้วนะนี้เราเข้าใจประมาณต่างๆของการ์มเร า, าเข้าใจเหตุเกิดของกามเหตุเกิดของการ์มคือผัสสะนะมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนี้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งใช่ค่ะนะมันมาห้าทางนี้แสดงว่าคุณรู้เหตุเกิดของมันละ พอมันเข้ามาแล้วเรารู้ว่า อ, อ๋อมันเปรียบเปรียบของในความฝันของยืนเข้ามาเขียงหมูกระดูกหมาเขียงสับเนื้ อ, อครบเพลิงหญ้าผลไม้ของต้นไม้พวกเนี้ยเราก็เข้าใจประมาณต่างๆของกามละมันจะดีขึ้นไปกระดับหนึ่ง ก, ก็อีกประเด็นหนึ่งด้วยน ะ, ะพูดถึงเรื่องผลไม้เนี่ย <Okay. S 2> พระเจ้าก็เคยยกตัวอย่างของผลไม้ค่าต้นไม้ใช่ไหม <Okay. S 2> เขาเรียกว่าอะไรต้นไผ่ ต้นไผ่มันจะมีผลของต้นไผ่น่ะเขเรียกว่าไม่ใช่หน่อกหน่อนี่คือลําต้นใหม่ของมันมันจะมีคล้ายๆกับดอกไผ่แล้วก็เป็นผลของไผ่เป็นเมล็ดออกมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าขุยไผ่ะขุยไผ่ไม่ใช่ไอ้ขุยๆที่เกิดอยู่ตามลาต้นมันนะจะเป็นดอกที่ออกจากปลายยอดของมันแตถ้าขุยตรงนี้ออกมาขุยไผ่คือดอกไผ่แล้วก็ผลไผ่ออกมาตรงนี้เนี่ยคือต้นไผ่ก่อนนั้นจะตายอืก็มีก้อนหนึ่งที่วัดป่าหลานไนโศก็เหมือนกันเพิ่งตายไปเพราะว่ากอไอ้ขุยไผ่เนี่มันออกมา อืมเจ้าค่ะขุ้ยไัยฆ่าต้นไผนะลูกม้าอัศดงฆ่าแม่มันเจ้าค่ะเป็นลักษณะนี้คือกิเลสคือการเนี่ยออกมาเนี่ยนะเพื่อฆ่าหักจิตของเราอแน่นอนเจ้าค่ะเหมือนกับต้นไม้ผลไม้ฆ่าต้นไมนะ้ะขุ้ยไผยฆ่าต้นไผ่ลูกม้าอัศดงฆ่าแม่มันเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันมีโทษมากเราจะตายด้วยเจ้านั้นด้วยการที่เกิดขึ้นในจิตเราจิตเราจะมีปัญหาด้วยการที่เกิดขึ้นในจิตของเราเจ้าค่ะะ ถ้าเราเห็นหมดอย่างนี้หมดเนะเห็นแค่เนี้นะชื่อว่าเห็นตามที่เป็นจริงล่ะเห็นอีกอย่างหนึ่งจะครบทันทีจะเริ่มเห็นตามที่เป็นจริงที่ว่านนะเห็นอีกอย่างหนึ่งจะครบทันทีว่าออีกสองอย่างเข้าไปอย่างแรกเนี่ยคือเห็นว่าไอ้การนี้ไม่เที่ยมนะมีความเปลี่ยนแปลงไปได้เ่อมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความอาจารย์คลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาทีนี้อย่างสุดท้ายที่จะต้องทราบเพื่อให้เอาเพื่อให้การทั้งหมดเนี่ยมันครบถุวนบริบูรณ์แล้วก็คือความที่ เอออุบายในการออกจากกามจะอุบายในการออกจากกามใช่พระรูชาพูดถึงอริยมรตมีองแปดเจ้าค่ะมรตแปดนี่นแเป็นอุบายที่แต่ไม่ถึงให้ดับกามเนี่ยดับไปได้เจ้าค่ะเอาง่ายๆแค่สมาธิธรรมดาถ้าเราเข้าสมาธิธรรมดากามดับไปแล้วความอยากต่างตาหูจมูกลิ้นกายดับหรือแต่ความสุขทางใจเจ้าค่ะเพราะฉะั้นตาหูจมูกลิ้นกายจะเอาเราไปไม่ได้แค่ใจเราอยู่ยเฉยๆนิ่งอยู่เฉยๆเจ้าค่ะถ้ารู้อย่างนี้หมดสี่อย่างเนี่ยชื่อว่าคุณรู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องของกาม เราจะสบายใจมากคุณเดินใจเราจะไม่ตกเป็นท่าของสิ่งภายนอกเราจะมีความสุขอยู่ในภายในเราทำอะไรก็ทำาดเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตจ อ, อย่างนี้นะซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องการตรงนี้เราก็พอจะสรุปให้ได้ตรงนี้ว่าใครก็ตามคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาช่างกล น, นักเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าคุณละกามได้นะผลการเรียนคุณจะดีขึ้นอชีวิตของคุณจะดีขึ้นครอบครัวคุณจะดีขึ้น นะแล้วก็คนจิ่งแวดล้อมคุณจะดีขึ้นนั่นด้วยจิตที่เรามีสูงขึ้นนะในในความรู้ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่ยากอะไระแต่ว่ามันอยู่ในจิตของเราเท่านั้นเองพอมันอยู่ในจิตของเราเราทาได้เรารู้เห็นขึ้นมาเนี่ยเราจึงจะสามารถดีขึ้นมาได้ ก็ค่อยอาศัยฝึกฝๆไปเท้านั้นเองจ ะ, ะเราก็จะละกามได้ทำจิตของเราให้สูงขึ้นได้ดีขึ้นได้อย่างนี้นะเจ้าค่ะอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็การที่จะมองเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะต้องพยายามละนะจ้าค่ะเห็น <He S 1> โทษของกามต่างๆเหล่านี้อย่างที่พระอาจารย์ภพบุญอภิปุนโนได้เมตตาสากฉามมาแล้วนะจ้าค่ะใช่จ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธารรมราบรุนในเช้าวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ คท่านผู้ฟังค้าก็คงจะอำลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยละเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับช่วงของรายการธรรมระเบรุนซึ่งเป็นการสากาักการะหรือสนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนและตัวตนเองนะคะสําหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ภพยบุญอภิปุนโนแห่งวัดบ่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบนมัสการและกราบขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเส้นผ่านสาทุเจ้าค่ะ